นี่ยเราทำเราคิดเราคิดเรื่องเชื่ออย่างนั้นการเชื่อจะผักดันเนี่ยเราไปเกิดเรื่องุารเชื่อเราตองการ้ถ้าเ้องกาจะเเชียงจะไปทำไปคินั่จะมีสติมีปัญญาถอนใจหักห่างใจอไว้เนี่ยไปแะต้องเชื่อทางเสี้ย่างจะยังไงทาดีเหล่ยใจอย่าละลึก เมื่อใดล่ะตามดีเสียนั้นเราเดชทำเอาไว้ใจมันก็เย็นใจมันก็สบายจะมีภบชาติต่อไปล้วก็ไผิดหวังในที่ใดจะเปเพื่อจะเป็นมนุษยก่อตามเป็นเถื่อนเพื่อนเถื่อเพื่อนที่ด่า่อตามจะดูในใจของตัวจะดูได้ที่อื่นเพราะตามดีถตัวสะสนเอาไว้มันก็ได้ออก จะไปเป็นจะเป็นร่างเป็นเสือซึ่งอ่างกายยึดติดนลกจะดูในใจทเ่เยอะแยใจถึงเสียถเสียมันเหม็นร้วแทบเขาจนพอดูได้ครบขาดไม่เลยออกจากที่อื่นออกจากใจความหมดมี่งเหยิงปัญหาก่อทเลาดียกันมันอยู่ในจินใจของเราเมื่อเราสล้ยมันหมดแล้วก็เหมือผุดพ um, ันพญานาคใส่ใสเราไปหน่ไปเผาจนมันสุดแล้ว หมดยายหมดเชื่อจริงจะให้เกิดแล้ว่ะด้็น้าเุ่งที่ไหนก็ไต้เทอลมวได้เกิดขึ้นอีกนอกจากข้าอย่างเอสใกฝึกโย่างใจเลยไทยลาวอิธีไหนก็ทายคาฝนมันจะอนวยให้ขลาดไหนแล้วก็เกิดขึ้นเลยได้เพรา่า้าได้ฝกแล้วโดยถ่าหัดหิตใจเทนั้นหลายพายาบรรลตาสางแอบเท้าเดี๋ยวตาป่า คือจะตตจตปัญญาศัทธาความเมจริงใจแล้วมันหมดเรื่องจะะจะบเทมไม่มีอะไรอีกเรื่วามชา้วไปจากในจิตในใจเป็นสันทิปโกตัจตังอยู่แล้วจะได้ฐานที่ไหนอ่ะตาไปจะไปเกิดที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนมันชาติตั้งใจยังไม่ตายเนี่ยไม่มีอะไรที่จะได้เกิดอีกได้ครบ มันจะมีาตา่อไปหรือไ่แต่เพื่อผู้ชอบเกิดทโสัตนาแา่ความเกิดไม่มีนะพ่จะมีความสุขคนสมยอะไรแต่ผูที่จะพูดปฏิบัติละเอียดเข้าไปเป็จนาจาเป็นบัญญัต่าชอบท่านยินดีเพราะควา ม, มเกิดอีกแล้วนั่นเลยไม่ทุกข์ ว่าร th ู้ทุกอย่างเลยท่านทราบอยู่ในใจทังท่านความเกิดนี้เป็นตัวน้ำขังท่านเห็นเถอะเราท่านได้รับทุกรับโทษแสดงหาสิ่งนั้นแสดงหาสิ่งนี้โลกใชีปะทะเเกิดเนื่องจากความเกิดเชียวถ้าเราเกิดทุ่อย่างแล้วโอ้โหโลกตายลกแข็งโลกพลาโลกที่ไหนมันอาศัยไม่ได้เพราะมันี้่มีที่เกิด หรือในที่ยืนเสร็งหน่อยใบห่้าสต่งๆแล้วก็เกิดขึ้นเลยได้โลใครนั่เกิดขึ้นมาจากความเกิดขึ้นเอวมีใจเสียใจกับข้อความเกิดหายเกิดแล้วความดีใจเสียใจกเปืนอไปสั่งๆแล้วเนี่ยมันหมดไปแต่ด้วยนัตถิสันติปัญสุขังถึงอย่องไรจะเท่าใจแล้วคือแบบพูดไปที่ไน แต่เราอย่าห่ยเห็นหน่วพบหน่วยสัมผัสเรื Lion, ่องอัตชันหรือจิตใจที่เป like ็นอย่างนั Someone ้นไม่นจะได้เตมเต้นในอยากจะารทำในเกิดนะคุณคจะมีความอะไรเัายินมดูในความเกิดยินมดูใ่ความเกิด็คือยินมดในามเ้าาเพราะเ้าตายั่นาจากความเกิดเราหน่วยพิจาลณาเลืก ลงไปถ่ถึงปฏิบัติธรอยู่พืจจ้สอนเราจึงเลไหลกันด้วยใจแต่นั้นการจะพูดปฏิบัติการฝึกอัดมพานาเป็นหน้าี่ใทุกคนฝึกควสนใจฝึกปฏิบัติการฝึกอย่าไปฝึกอย่าอยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจท้งตัวแถวนั้นให้จิตใจสงบจะพ่โรกปัญหาได้ความสุขอะไร ในโลกจะฝึกเหมืนจิตสงบจิตคนจากวิเวกเลยมีในความฝึกใดที่จะเป็นเสดวิเหนฉลาดจิตหมดวิเวกปัญหาการฝึกการศึกษาการพิจารณาการทการเขียนที่จะนัี่ทั้งพเราทุกคน พจรณาจะมีีดเปัญหาสาเหตุทั่วไปจะมีเลกันจะท่านปฏิบัติอย่างไรเพื่อขัไล่ที่เหตปัญหาจะรู้สึกหมดดออกจากใจได้เราควรจะศึกษาควรนำมาปฏิบัติสอนใจขอเราจะเลยไปทางไหนจะเลี้ยไปเถอหากมีอาบีธรรมีิปัญญาธรรมะอยู่เรื่อใจ การกจะปลุมัจะหมดไปหความสะอาดถ้าเาตกาดอยู่เรื่อลยแล้วรักษาอยู่เรื่อยแล้วขัดไปอยู่เรื่อยคาสะอาจจะเกิดขึ้นย่ า, างารทำน้ำาถาขัดอยู่เรื่อยนี่จะเกิดเร่งขึ้นได้เ่งอนาถ้าอเสยาสาอะไรจนกระจกความสะอ า, ะอาดอยู่แล้ว นึกถึงอะไรนานเป็นแนละอองเปนตกมานี่อะไรแต่อะไรเก็บนงินลใส่เงยเคล็ดเคล็ดรักษาไม่โกนเลยได้แต่เป็นเจาะนน้นก่อในสายนาที่จดินได้ยึดหน้าลงไส่เพื่อเป็เขาเป็นเขาโปกระบอกอยู่ที่ซ้มในขัดในรักษาภาชนะต่างๆ็นโกระบอกได้หยุใจก็อยเ่ไรถ่านหรือก็รับอยู่ตลอด่านตลอดเวลารับของโขกระบอก เะนั้นแผ่นจ Fo ิตเหตุปฏิบมีสติปัญญาสำน้าสาสานจิตใจทั้เสือให้สะอาดโดยการภาวนาเรมีสติมีปัญญารักษาใจลยกไปคคิดเอาสิ่งที่ชั่วที่เสียนะ่หมดงเหยีในใจทั้งสือสําระมันออกไปกจัดมันออกไปขาดังนั้นถึงวันนี้เท็วันนั้นอยู่เรื่อยใหสะอาดจิตใจสะอาด มันสาบายมันเย็ น, ม, นยยมันสุขหระะือเราเป็นโศกโศกหรืออารมณ์สัญญาที่มีปัญหาต่งตางๆมันจึงทุกข์การปฏิบัติจึงจำเป็นสิ่งเหล่าทุกคนควรฝึกควรรักษาควรต่งหนา้าปฏิบัติคุณค่าของคนอยู่ที่จิตที่ใจจิตใจเสื่อเสียหมดคุณ ค, ค่าจิตใจ แสจิตใจเย็นเย็นมีคุณค่าเจ้าของตัวเองตัวตำหนี้ตัวาของตัวอย่าเจ้าอ่เสียที่ไหนถึงทั่วไปสั่งจักรเสลดเจ้าเองเจ้ตำแตน่เจาของัวอยู่จะให้เขาเสิใจในตัวอย่างไรเจตัวของตัวก็เลยเสิใจในตัวของตัวแต่มันเชื่อมนเสียอย่างไรเปคลสายตาอย่างไรเรอยากจะให้คนอื่นก็เรืองไสให้จักรเสล เต้า้เต้าก็ยังตั้งมืห้ตัวอยู่เขาจะมาทำเสนอย่างไรได้แต่สนใจในตัวตัวก่อนเพื่อปฏิบัติเต้ห้ตัวก่อนไห้ดีเพื่อกองไทยเกษเชื่อกองถ้าบันดีวันรีเสร็จแล้วจะตอบใยียดแลใครเข้ามาเหรียญใสในตอนไปจะกาหรืขนับถือเีาย่เท่าคนที่มีหูมีตามีเตจปัญญาเรน่ มาลองส่งแาลองผู้ดอกไม้อยู่ที่ไหนก็ไปหาทำงานเดียวกันปัหาเราแต่เพื่อปฏิบัติในอดในทรรของพระพุทธเจ้าเป็นจิตใจสงสัจิตใจสะอาดจิตใจหมดที่เหลดอปัญหาแล้วในนี้ปัญหาอะไรอย่าไปสงสัยอย่ารำจาญอดยาเส้าเพลนจะในนี้คนไม่เคารพเปลี่ยนสาย จะถึงจิตมันพายอย่างนั้นอย่างนี้มันไน ม, นกก ม, นม่มีหลักอากาศมานันนี่นะขนาดไหนท่านก็ไม่เลยไหนไม่มีอะไรทร่านก็ไม่เกิดทุกข์นี่คือความพอดีของจิตในการฝึกการปฏิบับอย่าไปลดละต่างต่างตากะทำมันเพลินทิขควนในจุดหมายปลายทางคุอกามตายเดียวกันตายไปแล้วเราจะไป เป็นอะไรนั้นก็อาศัยบุนกรรมที่เราทำไว้อย่างที่อธิบายมาการดีมีหน้าของท่านนที่จะได้เกิดในสถานทือดีมีภพข้าคือดี้ารเชื่อมีหน่าที่มาจากฐานโก็จะตกไปสู่ความเชื่อาเสียผลัดันตัวเองไมใชที่เราเนื้อตาฐานไม่เกิดสินจากการทำ ของเจ้าเหนื่อยกันเถอะฉะนั้นเจ้าเราท่านทุกคนเมื่อได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการเสียใ้เราต้องการจากเถนะอยากจะฝึกจะสบายในรวบชาติต่อไปสี่สิบหนึ่งหยังจะพบในชาตินะคสร้างคุณงามความดีเอาไว้คุ่พิจารณะอยากจะคนใจจาไม่เหล่อปัญหาเนี่ แต่การากจะเิดอีกทบชาติจะให้ดับเฉินก็ต้องใจจะพูดจะพูดเอาจิงเอาจริงยนก็จะเลยอยู่ตายก็จะไลยอยู่ยืนก็จะเลยอยู่เหวิ้กก็จะเลยอยู่ทุกก็จะเลอยู่โบก็จะอยู่โลกอันนี้ลาสาสายสิกใจสิทธิ์ข้องโง่หมกไปเฉ่งใสอะไรที่นี่ต้องจะให้ใจลาดหัว ถึงจิตของในจิดในใจออกไปจนหมดจิตจะรู้สึกเป็นอย่างไรข้าใจใจใตัวเองมันกลมอกปัญหา่นั้นก็จมีกาฝึ่ตลอดเวลานักขี่นักขี่ลังสุดขั้งจนในตลอดการตลวจเวลาจะอยู่ธรรมดาในเวลาเกยข้าจิตใจทาไมมันไปเลีงไหลใถาในขัน มันไม่อยากตายมันก็ไได้ิดันอยากตายม้ก็ได้คิดถัดขันมันมีวัตีุเป็นอย่างไรจะเห็นตามเป็นพริงเท่ามันไปอย่างนั้นเป็นริงฝึกจริงไปต่อเลาเวลาฝึกเราธรรมะได้บางีแล้วเหงื่อเรหัวก่อเราต่างกันถัดขันตรนี้อยู่จะเด็กสงคน้านร้างวีรลรักษาขี้นให้ท่านจะเรียนเด็กตาเาวนาต่อไปในแผ่นที่คือฝึกแล้ว ถ้าเราต้องการอะไรอยู่ใต้ก็ถ่าเดิมใต้ใต้ก็ไหนนีอะไรที่จเสียหายหรือคือจดหมายถือประพฤติปฏิบัติถือพระจฤตสใงสอนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปปรพฤติปฏิบัติได้ยังนำไปที่นิพพานธรรมศิษย์สอนไปเลยนสอนไปจากที่อื่นจากกายจากใจเพราศีลสมาี่กัญญาวิชาริมุติไม่ไดอยู่ตามตํางหลับตํางหลั อยู่ตกกายตาใจใจขั้งเราทุกคนอยู่เมใจขุนคิดที่นิพพานใจรู้ใจเห็นทำมาผิดแล้วพุทได้เจ้ารู้ใจเห็นถ้าเป็นดูขยนหรือไม้ดันเห็นดันยินดันสบายให้ทานตัวเราไปให้ใจรู้ถึงตัวเรารักษาใจรู้ภาวนาตัวเราเป็นเพื่อนใจนี้ รื้อไปไหนไปไหนมาแทนให้อย่าทำนะตัวไปมันู่ในตวของเราไม่ได้อยู่ที่อืนนนอนน่นเราวอก็วกนี่ได้อยูน่ น, นิ้ท้ายไ่ได้อยู่นิ้เข่งขี่ที่ใจนาดูไม่อยากเชื่อไปยัยเพื่ทำไปผิดไปคิดไปเชื่อยายดีกว่าพยายามทำผิดคิดในทางดีการดีมลยกว่จะเกิดขึ้นเพิขึ้นถ้าาสร้างความดีเอาไว แต่ตัวอยากเฉยๆเลยทำไม่เลยเกิดประโยชน์อะไรให้ก ch ันพยายามจะถับบนเทลให้เห็นสมณะคือความสงบเห็นสมณะโดยตาจะเคยเห็นู่ทีความสงบเย็นหมดกิเลสปัญหาจะเห็นสมณะภายในคือจิตใจของเราหมดกิเลสปัญหาเป็นอย่างไรนั้นท่านพูดว่าสมณะนั้นจากพลัง เคยเห็นริงคือดถึงยเสเห็นคือยึงหมดที่เหปัญหาเห็นกันแล้วเห็นความสงบเข้าใจแต่เคยจัราคาปัญหาแม้นักสติส่งสรเป็นมงคลอันสูงสุดนมงคลใดสิทธิสูงสุดเท่ากับเห็นกันมแล้วลนจิในใจสูงสุดเราเน่ยเคยเห็นเคยเดเคยสบายแ่ที่นิพพในภานาไป หยใจมันสงหาใจมันเห้นมันเต็นอย่างนั้นการไม่ที่จะมาทำนะการคลยจิตใจโดยาะ้ผวของคนอื่นหน้าผิวของตัวเองอยู่กับทามันเพลินใจแล้วชีวิตของเราเหนื่ยแน่นแต่ความตายมันแน่นนอนตายแล้วจะไปทาอะไรไม่้าแล้วจะไปขอเป็นสังขีไหนเป็นหน้าผิวของคนอ่นจะเอาไปจะไปเหง คนแล้วจะใทาพ่วยงาให้เราอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปคิดเอาความีจากคนอื่นเอาควมีจากตัวเอง้คามดีเอาไว้ตายไปแลเอา้วยวันมาเลาไปที่ไหนเนี่ยสังเกตเขาเขา้มนพาเราได้ความดีจากมันไปแล้วจะไปเหยไปเห่งอะไรขาดอนี้ แสงทาแล้วก็เลยเลยไม่เอาใจตั้งถาดข้นมในสนเทาแล้วก็เลยเลยไม่อาตั้งเลยขนมาอีกเหมือนกันเนี้อะไรที่จะเสียหายไปหรือเชื่อหรือเ่อหรืจะนาที่อัดทีาทเพียงจังเวลไปนิมนตนพระมาดัสมุนจะใ่ไห้บนญจากคนอื่นแต่เราทำบุนได้ในจิตในใจมันเป็นสบายอย่างนั้น ยี่เหี่ยมปัญหาต่างหากที่มันหลอกราอะตาจะน่าจะมีคนสองคนเผาจดเมลจะมีเสือนงานจะมีคนมาในงานเสด็จอย่าง้อย่างนี้อย่างจะเป็คิดเกี่ยวข้องกับมันมันมีความดีเลยจิดในใจเถอะมันหมดปัญหาไปหมดถ้ามีความดีในจิตในใจใครจะมีมนุษยนะคนโลกเนีย ในจสิ tay, tay, ่งให้แต่จิตใจของเราเหงาเหงาข่าวเหงากลปัญหาถ้าเห็นใจจิตอยู <anytime> ่ล <üllt> <Okay. inaudible> mm ้วกรณีอะไรดีขึ้นคนเถ่อพือมาสัะบิชาโศกไม่กรณีมอะไรที่จะนิสัยให้เพราจิตใจของเราข่วหงาจิตใจของเราเป็นปรกิเลปัญหาอย่ท่านระเดนทานอยู่ในป่าในุ่มไทยไปสัจจะบชาหนุ่มยุคไทยไปเห็นไปเจอเข้าว่าส้าง ถจิตใจเขาขาหมดยิ่เหนื่อวท่านกับปริเนื้อในอยู่ตลอดเวลาหรือการขยายใจมีความฝุ่ความเย็นความสบายในหงนั้นใวสิ่งนี้ของหัวใจมันฝุ่มนสบายมัหมดยิ่เหนืปัญหาเป็นน้อคอทำใหขาไปจากแสนถ้งแสนนถึงความบริสุทธิ์ถึงความหมดจบ จิตใจเป็นมือเลอดตัวอย่างแล้ววิเศษมากหากจิตใ จ, จยังหลงเขนผ่านมันวิเ <c oughs> อปัหาอยู่มมจะหยดแล้วต่าสานมันไปหยุดขัดไล่มันไปเราจะมีชีวิตเดียนีน้าที่ที่จะปฏิ บ, บัติได้แต่หากเราตายไปแล้วก็หมดหลังเก่งพากัานสอนตัวพราะกาตายมันมีเดือดันทุกขเพื่อนมายไม่ใชว่านนะ เราจะเป็นคนยึดเสกเกิดมาแล้วในแก่ในตายเราจะต้อง่ต้องตายไปด้วกันทุกคนแก่ตายไปแล้วมีอะไรที่เ้าสั่งเอาไว้เป็นความสุขความสบายเป็นเป็นต่วนในจิตในใจของเราถ้ใจไม่มีจกหยุดทาเอาเสียทานี้แล้วก็จปยนใจเราได้ทำเอาไว้สมบูยณ์ การ้างไรทํอะไรพฤกรดีน <tables, S 2> <gates, S 1> ั้นจะเป็นเพียงสองข้อรักต่อไปมันไม่มีทางสงสัยอ่าทิ่เจน่ได้อานในธรรมของพระเจ้าความสุขความสบายความเย็นความสงบันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการทำสิ่งดาดีสัมผัสบุญคือความสุขคือการเต็ จิตในจิตในใจเต็มในิตใไม่เกิดทุกข์เโทษในบทช่องอะไรเราสะสมเอาเป็นนักบวชก็สะสมบางฐานะหนาที่ของกบวชเป็นท่าตรก็สะสมเอาใช้สติปัญญาที่มีที่เรังคุาความดีเยไปพระพุทธเจ้าถึงจะเป็น อยู่นีเปิดแล้วท่ก็ยังทาความดีอยู่ไปแนะนำสอนเกิดตัดเพื่อผลเป็นแห่งนี่คือความดีไปทนายมือคุณข่าตอบแทนอะไรไปสอนใครท่านก็เลยมือเราจะเหนคนนั้นทาความดีตอบแทนท่านทนายมือเบื้อหลั คือเนี่ยเอาความดีไปแจกคนแล้วใหเขาเลื่อมใสให้เขายินดีเป็นใจไม่แต่ให้เขาไรนั้นได้ทจนะด้สิ่งที่เันและท่านสอนนั้นาเป็นจริงเป็นอัตเป็นธรรมแล้วให้เบาลยมีไปพูดปฏิบัติแต่เขาไรนั้นเจอคืสบายเองถ้าไหนคิดเอาคุณข่าอยู่ในเนี้อสอนให้เขาเรื่อมไสจัดทา อาศัยทำมาหาเงอนมุคคุณของท่านแข่งสารกระท้อนขจิตค่องไ่รู้จักเส้นทางที่จะออกทนอย่างไรจึงจะเกิดดีมือเปทดทำอย่างไรจิตใจจึงเดืดร้อใจากที่หนือ่อผ่านพิจาาและกัสอนไปทำมานทืของท่านหน่ ย, ยม่ยหลังจ่งได้ตอบแทนนื่อยเ่แผสร้างความดีแก่เจ้าท่าน ทำอะไรเรงใจแตอยากจะได้อันนั้นตอบแทนอยากจะได้อันนี้ตอบแทนถ้าหาเขาเนี่ยตอบแทนให้จะทิ้งหลอคเขาเมื่อบักคุณมันคิดไปอยูแบบนั้นมันไปเบีอดร้อนเพราะอะไรมีเบี่ยไหลเนี่ยคือใจใจมีมีเบี่ยงไหลเหนื่อยอะไรทําไปโดยความบี้สุดธของ่านแต่นั้นทำของฉันจนบรได้ทธดตลอดมาถ้ากชส่งนูมีกฎหม้ยรักษา แี่เพืที่มปรัทธาเ่ปฏิบัติยังอยู่พอเป็นของบริสุทธิ์เป็นของผู้รู้ของผู้วิเศษเราทุกคนจึงควรสนใจงานมายินพีจารณาศึกษาต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติเหมือผู้คนต่างหต่างตาศึกษาประ่อปฏิบัติตามธรรมะจะเป็นคราว่าอยู่ในครอบครัวจะเยียกเย็นจะทะลาะเบแวงกัน การมะเป็นสิ่งที่ทำให้เย็นแต่เป็นทิฏฐิฐานมนอยู่ในสาเสนาจะมีความเย็นทางศิลทางใจพอาะถองกิเลสปัญหาไปได้พรจ้เลยูกขเป็นของฟลาอด้วยบัญญัตดังนั้นเราจึงมีสิทธิปฏิบัติโดยเถื่อนหนานการอธิบายธรรมะเมื่อเราพอสมวรถเวลาต้องวิเพื่อนเอ๋อ